นี้ต่อไปอีกว่าผู้ที่ถึงสารณะเนี่ยนะผู้ที่กล่าวถึงสารณะเช่นชัตตมานพเนี่ยนะชัตามานพนั้นก็ถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะตอนหลังก็เป็นเทพบุตรลงมาฟังธรรมก็ตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นการเลื่อมใสการถึงพระองค์เป็นสารณะการปนมอัญชลีเช่นกับนกฮูกเนี่ยนะเอามาว่าอเยาว่ามีมือมีนิ้วเลยแบบนกฮูกเนี่ยประคองปีกอัญชลีเนี่ยนะ น, นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า กุศลจิตเหล่านั้นก็ยังเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นปัจจัยให้อะนะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายเอกาณิบาตว่าเอกปุคโลพิกเวโลเกอุปัชมาโนอุปชติพหูชนะหิตายะพะหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษสานังกตัตเมปุคโล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 กระทำบาปผู้ควรเครื่องสักการะบูชาทั้งหมดพระองค์นั้นผู้รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งผู้รู้สรรพสิ่งด้วยพระสัพพัญยุตยานเนี่ยนะนพระองค์นั้นที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแกสรรพสัตว์ทั้งหลายผลการที่พระธาตุทั้งหลายของพระองค์เนี่ยนะยังดำรงอยู่พระธาตุทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเนี่ยนะคือในบรรดา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 ปรสรูทำสร้างบารมีมาเพื่อบอกธรรมเพื่อสอนธรรมพันธะธรรมของพระองค์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่สูงที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าหาว่าเอา้า ไ, ไม่ได้ไม่ได้เอาผมไปก็แล้วกันเอาเล็บันะเอาพระเกศาไปเอาพระโลมาไปเอาพระธรรตะไปเอาพระทาตะคือพระเขี้ยวไปเอาสรีอธิกระดูกตามที่ต่างๆเอาไปบูชาเท่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้วล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่า เออพวกที่แบบแหมเกรดต่ำสุดเลยแบบนั้นเถอะแหมก็ยังดีอ่ะนะได้บูชาพระธาตุเนี่ยนะบางคนก็อย่างงั้นจริงๆนะให้ยกมือไหว้พระธาตุได้เท่านั้นจริงๆให้เลื่อมใสเออสวัสดีครับพอละไปละห้ามให้กราบนะกราบก็ไม่ได้บางคนเออแล้วเออสวยดีเนาะไปละนั่นนะก็ยังดีอ่ะนะดีกว่าต่อต้านบอกอย่างงี้มันต้องระเบอร์ทิ้งไงนะ น, นะ <c oughs> ก็ก็จะดีอ่ะนะก็ดีไม่โตเทียงไม่คัดค้านม่อะไรก็ไม่ว่ากันเถอะนะ แต่ว่าพระองค์ได้สรุปว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าคนทั้งหลายไม่รู้ในคุณของพระองค์มันบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่รู้คุณของพระองค์ประโยชน์ที่เขาทั้งหลายควรจะได้รับก็เลยเสื่อมไปเนี่ยนะทั้นที่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นโทษของเรียกว่าโทษของวัตตะก็ได้ยินไหมโทษของวัตตะคําว่าโทษของวัตตะเนี่ยหมายเขาว่ามันเป็นโทษของกิเลสเนี่ยนะว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันสร้างแต่ความเสียหายโดยส่วนเดียว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 โทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ý. พันธก็เลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยมากเป็นอุปาทานเ้าเรียกว่าอุปาทานคันเนื่องจากว่าไอ้คันเนี่ยโดยมาก ม, มันเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาและทิฏฐิมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานขันห้าโดยมากไม่ใช่เป <หา S 2> ็นที่ตั้งของศีลสมาธิปัญญาน้อยมากขันของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งศีลสมาธิปัญญา <S <S แต่ถ้าเป็นขันธรรมดาทั่วๆไป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 สมาธิอันศีลอ บ, บรมแล้วย่อม ม, ม, มีผลมากมีผลมากมีอนิสงส์มากน ะ, นะปัญญาอันสมาธิอ บ, บรมแล้วย่อมมีผลมีผลมากมีอนิสงส์มากจิตอันปัญญาอ บ, บรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายคือกา ม, มาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะดงนั้นคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญานี่นะที่จําแนกขยายกระจายออกไปคือโพธิปักจะธรรม คุณธรรมเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทีนี้โดยมากแล้วรูปไม่ค่อยเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจขยธรรมเวทนาโดยมากก็ไม่ค่อยเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจขยธรรมแต่โดยมากเป็นที่ตั้งแห่งอกุศ ล, ลกรรมเมื่อรูปหรืออุปาทานหรืออายตนะน้อยนักที่ลืมตาปั้บแล้วเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจขยธรรมโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรม ทวารหูที่ได้ยินเสียงน้อยนักที่จะเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจจะธรรมโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมทวารจมูกเนี่ยที่หายใจเข้าน้อยครั้งเหลือเกินที่จะเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจจะธรรมโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมลิ้นเนี่ยรับรู้รสเนี่ยเกิดมาเนี่ยทานวันะสามมือเนี่ยนะเป็นหมื่นกว่าวันมาแล้วเนี่ยน้อยนักนะไม่กี่มือหรอกที่เป็นที่ตั้งแห่ง ศีลสมาธิปัญญาโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาและอุป่าทานเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาเป็นต้นทุกๆความคิดเป็นความคิดที่เป็นไปกับโพธิปัจจะธรรมไม่มากถ้าเทียบกับเป็นไปกับอกุโสลธรรมแล้วเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกทำให้ทุกทวารเป็นที่ตั้งแห่งศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งแห่งโพธิปัจจธรรมพระองค์จึงเป็นผู้ที่ช่วยสัตว์ให้พ้นจาก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 เนี่ยนะแล้วบอกวิธีป้องกันด้วยพิมพ์มันเอกสารในทายเอกสารในแผ่ระบาดสองบาทแจกไปวางไว้ตามวัดต่างๆให้ท่านช่วยดูแล ว, ว่าทำยังไงขี้นกย่าไม่เข้าไปในโบสถ์ในศาลาจะได้เข้าไปสวดมนต์แล้วมันปลอดภัยว่า ง, งั้นแล้วก็ปลวกถึงพิดภัยทุกโทษโรคร้ายมันมาจากขี้พวกนกนะี่ยมันเป็นอย่างไรนะก็หนักๆเข้ามีทุนก่อสร้างแต่ไม่มีทุน รักษาบูรณะและซ่อมแซมเนี่ยนะก็อ้างว่าคนในพระเนร์ก็ทํางานมาที่เหมือนพ่านโรงพยาดูแลไปวันๆหนึ่งเนี่ยนะกวาดวันแรกก็ขยันดีนก็ตื่นเต้นโอ้สวยขยันดีนะวาดกวาดวันที่สองเหมือนบ้านเราเนี่ยใครสร้างบ้านใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะคัดถูวันแรกแม้มีความสุขมากวันที่สองในชักแง่ชั ก, มชกไม่เคยเท่าหรายแล้วนะแม้สิบปีผ่านไปเนี่ยปัดปัดแล้วก็หย่อนก้นลงนั่งแค่นั้นนะนะนะถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ยดีไม่ดีก็จะเท่านั้นแหละเพราะนั้น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 ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เราจะได้ปฏิบัติตามคาสอนเนี่ยนะแล้วก็ให้เรียกว่าพยายามประหยัดเวลาชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะความคิดเนี่ยนะประหยัดความคิดที่จะควรจะใช้เรื่อยเปื่อยอน น, นก็ให้มาใช้ให้เป็นระบบเนี่ยนะมาใช้ให้เป็นไปกับสิกขาสามถ้าเราดูแลควบบอกลความคิดมันดูแลจะได้ยังไงหมั่นงันดูแลความคิดยาก